ตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวิยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปะเทถะออยังตถาคตสัปชิมวาจาติวันนี้ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนานะ

เพื่อประกอบในการทำบำเพ็ญกุศล น, นะให้กับหลวงพ่อบุญธรรมสันติจิตโตผู้เราทั้งหลายมาที่นี้นะก็ด้วยความะระลึกนึกถึงผูกพันนะกับหลวงพ่อบุญธรรมงานศพทุกงานนะตามประเพณีไทยหรือว่าตามประเพณีของเราชาวพุทธก็จะมีการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับ

ด้วยการเลี้ยงพระถวายสังฆทานทอดพระบางสกุลและอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือการแสดงธรรมแสดงธรรมเพื่ออะไรแสดงธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจในธรรมะหรือความจรงิงที่เรียกว่าสัจธรรมที่จริงความจรงิงหรือธรรมะที่จะได้

ในงานศพไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากหลวงพ่อหลวงตาหรือพระที่มาเป็นผู้แสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมกรถึกที่จริงธรรมะที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นชัดเจนกว่านั้นเนี่ยมีอยู่แล้วนะก็จากผู้ที่ลงลับซึ่งตอนนี้ได้ทอดร่างอยู่ในหีบ

ความจริงนี่แหละนะที่หลวงพ่อบุญธรรมกำลังแสดงให้เราอยู่ดูในขณะนี้ให้เปิดใจเจ้าของเด้อเปิดใจนะยอมรับความจริงนี่คือสัจธรรมเป็นความจริงที่ชัดเจนนะไม่ต้องมีตัวอย่างหลักฐานเหตุผลมาประกอบอาตมาสแสดงทำไปพูดเท่าไหร่ก็ไม่หนักแน่นนะเท่ากับ

เช่นพ่อแม่ลูกหลานผัวหรือเมียรหรือครูบาอาจารย์ก็ได้เมื่อระลึกเช่นนี้แล้วก็จะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะได้เร่งทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลการนึกถึงความตายถ้านึกดีๆนะ

มันทำให้เกิดความกระตือรือร้นถ้านึกไม่เป็นก็จะเกิดความหดหู่เศร้าหมองเพราะคิดว่าอีกไม่นานอาจจะถึงวันของเราก็ได้อีกไม่นานคนที่เรารักตายจากไปก็ได้คิดแบบนี้ก็ทำให้ท้อแท้หดหู่ได้แต่ถ้าคิดเป็นคิดถูกนะการระลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเรา

ซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ทำให้เราเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นเร่งทำความดีแล้วก็ห่างไกลความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเป็นนิดถึงเวลาตายก็จะตายอย่างสงบได้ไม่ทุรนทุราย

หรือถึงจะอยู่ห่างไกลจากความตายก็ไม่กลัวตายคนที่ทำความดีมั่นใจในความดีน่ะจะกลัวตายน้อยลงหรือไม่กลัวตายเลยก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยกล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่บําเพ็ญบุญบารมีเพื่อการตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ยังเป็นปุถุชนอยู่นะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นปุถุชนอยู่เช่นพระเวสสันดร น, นะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้บําเพ็ญได้บังเกิดมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะและบําเพ็ญธรรมตนตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในสมัยที่ได้เกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์

ในชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปัลโลกอีกที่หนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยทําชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงธรรมดาคนเราเนะไม่อยากรู้ถึงความตายนึกถึงความตายแล้วโดยเฉพาะความตายของเจ้าของ

ศพของคนอื่นนี่ไปมุงดูกันนะอยากดูนักเรียกว่าไทยมุงนะแต่ถ้าเป็นความตายของตัวเจ้าของนี่โอ๊ยไม่อยากคิดไม่อยากนึกนึกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นแช่งแต่ถ้าคนที่ทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เป็นนิดจะไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าได้ใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่า

และรู้ว่ามั่นใจว่าตายแล้วจะไปดีไปสุขติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะมางานศพแล้วเนี่ยแล้วนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของแล้วรู้ว่าชีวิตนี้ประมาทไม่ได้ก็จะทำให้เล่นขนขวายทำความดีนอกจากรักษาศีล

ให้ครบถ้วนทั้งห้าข้อแล้วนะก็อาจจะเห็นความสำคัญของการมาฟังธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ถ้ามาได้ก็ดีหลวงพ่อคาเขียนท่านเคยบอกว่าคนดีเนี่ยก็อยู่ที่บ้านกันคนที่มีปัญหาเนี่ยคนที่มีความทุกข์นั่นแหละถึงจะเข้าวัด

หรือว่าจําเป็นต้องเข้าวัดนะแต่ถึงแม้จะเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่การเข้าวัดก็จะช่วยเตือนใจให้ไม่ประมาทเนะพราะพระเนี่ยนะถ้าหาว่าเป็นพระที่เข้าใจธรรมะนะก็จะสอนให้ญาติโยมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทระลึกถึงความตายเป็นนิดพยายามระลึกนึกถึง

กดไตรักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าเราลึกนึกถึงแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไม่ประมาททําให้เร่งทําความดีคนเดี๋ยวนี้ประมาทนะเวลามีเวลาถูกชวนให้เข้าวัดก็ไม่มาเวลามีคนชวนให้มาปฏิบัติธรรมก็ไม่มาให้เหตุผลว่าอีกนานนะกว่าจะตายเอาไว้แก่ก่อนนะค่อยมาวัด

อันนี้เรียกประมาทเพราะรู้ได้ยังไงว่าจะได้แก่ตายนะคนที่บอกว่าแก่แล้วจึงค่อยมาวัดเนี่ยนะบางคนก็ตายขณะที่ยังหนุ่มยังสาวเป็นมะเร็งตายบ้างหัวใจวายตายบ้างรถชนตายบ้างเนี่ยไอ้ที่คิดว่าแก่แล้วจึงค่อยจึงค่อยมาวัดเนี่ยนะเป็นคนที่เรียกประมาทเพราะความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้

มีภาเสดทธิเบสกล่าวว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนคนส่วนใหญ่คิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วชาติหน้าก็จะมาทีหลังแต่ว่าอย่างที่อาตมาได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่บางทีอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ก็ได้พ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลย

วันนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะมีคนประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นคนที่วันนี้เป็นมาสุดท้ายของเขาคนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยและเราก็ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยในนี้เนี่ยใครบางคนอาจจะอยู่ในจํานวนหนึ่งแสนห้าหมื่นคนที่ว่าที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายคนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้า

ประมาณไม่ได้เด้อเรื่องความตายเนี่ยอย่าไปคิดว่าฉันยังหนุ่มยังสาวมีพยาบาลคนหนึ่งเล่าว่ากลับไปเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานบ้านก็คงคล้ายกับบ้านทํามไฟนะหรือบนหลังเขานี่แหละเป็นบ้านในชนบทอยู่บ้านได้สองวันน้องชายก็บอกว่าจะขี่จั ก, กรยานไปบ้านเพื่อนน้องชายขึ้นจั ก, กรยาน

พูดอย่างนี้เพื่อเป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกก็ได้เจ้าตัวเนี่ยก็คงคิดว่าฉันยังไม่ตายหรอกขี่จั ก, กรยานไปแค่นี้เองเข้าไปในบ้านแล้วก็เลยอ้างเป็นธรรมะว่าคนเราถ้าไม่ถึงคราวตายมันก็ไม่ตายคําพูดนี้ดูสวยนะแต่ส่วนใหญ่คนที่พูดเนี่ยเอามาใช้เป็นข้ออ้างจะได้ทําสิ่งที่ประมาทเช่นกินเหล้าหรือว่าใส

ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะน้องชายนี่ก็ไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่ตายหรอกอ้างธรรมะเนี่ยถึงคราวตายมันก็ตายเนี่ยเพื่อให้พี่สาวสบายใจปอกกว่าขี่จั ก, กรยานยนต์ไปได้แค่ไม่ถึงห้าทีก็แหกโค้งนะทนสาไฟฟ้าตายคาที่เลยไม่ทันท่านอาทีนะที่

หลุดปากไปว่าคนเราเนี่ยไม่ถึงคราวตายก็ไม่ตายหรอกนะหรือคนเราถ้าถึงคราวตายมันก็ตายไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องความตายนี่อย่าประมาทแต่ก็อย่ากลัวนะอย่ากลัวเพราะว่าถ้าเรากลัวแล้วเนี่ยนะก็ทําให้ไม่เข้าใจไม่เตรียมตัว

พอกลัวความตายแล้วเนี่ยก็ไม่อยากนึกไม่อยากพูดพอไม่อยากนึกไม่อยากพูดบางทีไม่อยากฟังด้วยพระพูดเรื่องอันนี้จังพระพูดเรื่องความตายไม่อยากฟังก็เลยมีชีวิตเหมือนคนลืมตายเดี๋ยวนี้มีคนชีวิตคนอยู่แบบลืมตายเยอะนะคือลืมไปว่าตัวเองจะต้องตายก็เลยอยู่อย่างประมาท ถ, ถึงเวลาจะตายหรือว่าพบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง

ก็ทำใจไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรตายอยากกับชีวิตกลายเป็นว่าตายทั้งเป็นมีลมหายใจนะแต่อยู่มันตายเนะี่ยอันนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีชีวิตเหมือนคนลืมตายตอนที่สุขภาพดียัง ย, ยังหนุ่มยังนั่นยังสาวนี่มีชีวิตเหมือนคนลืมตายไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตาย

หลวงพ่อพยอมตั้งเคยพูว่าให้เลือกเอานะจะเข้าวัดเองหรือจะให้คนถามเข้าวัดอยากแบบอยากเลือกแบบไหนอยากได้แบบไหนเนี่ยจะเข้าวัดเองหรือให้คนถามเข้าวัดนะจะสวดมนต์เองหรือให้พระ ส, สวดให้นะจะพนมมือเองหรือให้สัปปลอจับมือพนมให้คนส่วนใหญ่ทาแบบหลังนะ

ไม่เดินเข้าวัดเองอะ่ะแต่ให้คนอื่นหามเข้าวัดไม่สวดมนต์เองแต่ให้พระ ส, สวดให้ไม่พนมมือเองแต่ให้สับเปเหรอพนมมือให้อันนี้เรียกว่างโง่หรือฉลาดเอาคนฉลาดนี่จะมาจะเข้าวัดเองไม่รอให้คนอื่นหามเข้าวัดจะสวดมนต์เองไม่รอให้พระ ส, สวดให้จะพนมมือเอง

ไม่รอให้สัปเปิลเนี่ยจับมือพนมเมื่อมาฟังธรรมแล้วลึกถึงหรือได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความตายก็จะได้เกิดความไม่ประมาทอย่างที่อาตมาได้ยกขึ้นมาเป็นนิเขปประบทก่อนที่จะเทศคือว่าวยธรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปะปมาเทนะสัมปะเทศะท่านทั้งหลายจงทาความไม่ประมาทถึงพร้อม

อยังตาถากาตาสะปชิมวาจานี่เป็นพระวาจามีในขั้งสุดท้ายของพระตถ า, าคดเจ้าเมื่อเราทำความดีเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมจิตใจก็จะมีความกล้าก้าวล่าเลงไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าถ้าตายก็ไปดีและถ้าทำความดีแล้วเนี่ยถึงเวลาตายนี่ก็จะตายสงบได้นะเพราะจิตใจมีปิติเวลาจะตายก็นึกถึงพระพุพะทธธรรมประสงค์

นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทําคนเราเวลาจะตายเนี่ยนึกถึงความดีที่ได้ทํานี่ใจจะเป็นกุศลนะจะมีความสุขผู้เจ้าตรัสว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตแต่ว่าอะไรแปล ว, ว่าเวลาจะตายเนี่ยสามารถจะเป็นสุขได้ไม่จําเป็นต้องทุกข์เสมอไปและเป็นสุขได้เพราะอะไรเพราะนึกถึงบุญที่ได้ทำํำนะนถ้าเราทําความดีวันนี้นะก็จะมีต้นทุน

ในวันหน้าทำความดีวันนี้ก็มีความสุขวันนี้แถมยังได้กำไรยังมีดอกเบี้ยให้ในวันหน้าด้วยเพราะว่าถึงเวลาป่วยถึงเวลาจะตายนึกถึงบุญที่ได้ทำจิตใจก็มีความปิติปามโมนไม่ทุกทรมานแล้วก็มั่นใจว่าไปดีแน่ไปสุขติแต่ถ้าทำชั่วแล้วเนี่ยนะตอนทาก็มีความทุกข์นอนก็ไม่หลับกลัวเขาจับได้

กลัวความจริงจะเปิดเผยกลัวเขาจะแก้แค้นกลัวตำรวจจะจับได้ไม่คุ้มเสียเลยเช่เนไปโกงเงินโกงเงินมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะแต่ไม่คุ้มนะกับความทุกข์ที่ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับแถมอาจจะติดคุกติดตารางถูกเขาแก้แค้นก็ได้เท่านั้นไม่พอเวลาจะตายเนี่ยมันก็จะนึกถึงความชั่วนึกถึงคนที่ตัวเองโกง

นึกถึงคนที่ตัวเองทำผิดนึกถึงคนที่ตัวเองฆ่าก็ทำให้ตายทำให้กระสับกระส่ายมีภาพรูปหนึ่งนะมาบวชตอนแก่เวลาป่วยเวลาจะตายเนี่ยนะก็มีเพื่อนพระมาช่วยนำใจให้นึกถึงพระผู้ประธรรมประสงค์บอกว่าเพื่อนนี่นึกไปไม่ได้เลยนึกถึงพระผู้ประธรรมประสงค์ไม่ได้เลยเพราะเห็นแต่ภาพคนตาย

เห็นแต่ภาพคนที่ตัวเองเคยฆ่าตอนเป็นโยมเป็นคารวาสเคยฆ่าคนไม่รู้ติดคุกด้วยหรือเปล่านะแต่ว่ามาบวชภาสแล้วเนี่ยผ้าเหลืองมันก็ไม่ได้คุ้มนะเพราะตอนจะตายนึกถึงคนที่ตัวเองเคยฆ่ามาหลอกหลอนอันนี้ เ, เรียกว่านิมิตเป็นนิมิตเคเรือกรรมนิมิตคนที่คนเราเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยกรรมนิมิตมันจะปรากฏถ้าทําดีก็เป็นนิมิต ด, ดีถ้าทําชั่วก็เป็นนิมิตชั่ว

เช่นนึกถึงคนที่ตัวเเคยฆ่าก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวทุรนทุรายก็เรียกว่าตายไม่สงบและตายไปแล้วก็อาจจะไปนรกไปอบายเพราะจิตสุดท้ายไม่เป็นกุศลมีคนหนึ่งเลี้ยงไก่ชนแล้วก็เล่นไก่ชนเป็นประจำที่กรุงเทพนะตรงบริเอนที่เรียกบ่อนไก่บ่อนไก่แต่กอนมันเป็นบ่อนไก่จริงๆนะทรมานไก่มากนะเพื่อจะได้เงินรางวัล

กลับตัวกลับใจได้เร็วอย่างองคุลิมาเนี่ยกลับตัวกลับใจได้เร็วเลยรอดนะเลยรอดได้เป็นพระอาหารหันต์การช่วยบางอย่างาให้ผลช้าแต่พอมันให้ผลเนี่ยกลับตัวไม่ทันละกลับใจไม่ทันละคือมันมาให้ผลมาแสดงตัวตอนจะตายจะบวชพักแก้บุญก็บวชไม่ได้จะทำบุญนะล้างบาปก็ทำไม่ได้ละจิตมันหลอน

อย่างเงี้ยตายตายแล้วไปอบายสถานเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องทำความดีแล้วก็เล่าเว้นความชั่วแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเด้อทำดีละชั่วแล้วเนี่ยนะก็ยังทุกข์ได้นะเพราะห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติจะ ต, ตายไปแล้วก็ยังห่วงทรัพย์สมบัติในสายพุทธการมีพราหมณ์คนหนึ่งนะชื่อโทนัพรราม

รวยแต่พอจะตายเนี่ยทห่วงทรัพย์สมบัติพอตายไปนี่ปรากัว่าไปเกิดในท้องหมาเกิดในท้องหมานะพอออกมาจากท้องแม่ก็กลายเป็นลูกหมาคอยเฝ้าทรัพย์นะไม่คุ้มเลยนะหาทรัพย์มาด้วยความเหนื่อยยากเสร็จแล้วพอจะตายเนี่ยกลายเป็นทาตของทรัพย์ปล่อยวางไม่ได้ตายแล้วจึงต้องมาเฝ้าทรัพย์นะ

โดยเป็นหมาอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างนี้คุ้มไหมหามาด้วยความเหนื่อยยากเสร็จแล้วทรัพย์ก็ไม่ได้ทําให้ไปดีไปสบายไปสวรรค์ต้องมาเฝ้าทรัพย์เป็นหมาเนี่ยอันนี้ว่าทุกติเพราะฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเด้อแต่ว่าไม่ใช่มาปล่อยเอาตอนจะตายนะมันต้องปล่อยวางตั้งแต่ตอนนี้ของหายเงินหายอ่ะมันหายไปแล้วก็ปล่อยวางซะ

ใครเขาด่าเราก็อย่าไปเก็บเอามาคิดให้มันเจ็บช้ำน้ำใจเพราะถ้าเกิดว่าโกรธและตายไปตอนนั้นก็ไปนรกนะคนโกรธเนี่ยนะและตายตอนที่โกรธนี่ไปนรกนะงั้นใครด่าว่าเรานะปล่อยวางซะถึงแม้ไม่ตายเนี่ยแต่ถ้าเก็บเอาไว้นะมันก็นอนไม่หลับความดันก็ขึ้นป่วยง่ายอยู่ก็ทุกข์ตายก็ไม่สงบ

ฝ่ายพยาบาลรุ่นน้องก็บอกว่าแม่เป็นไรพี่หนูเข้าใจพี่หนูให้อภัยพี่พอได้ยินแบบนี้คนไข้ก็สบายใจไม่มีอะไรข้างคาใจแล้วก็เลยหลับตาแล้วก็ตายวันนั้นแหละนีดีนะที่ได้มีโอกาสขอโทษขอ ข, อขอมาแต่ถ้าไม่มีโอกาสหละก็คงจะตายแบบทุรนทุรายตายแล้วอาจจะไปอบายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะ

นอกจากทําความดีแล้วเว้นความชั่วแล้วเนี่ยต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างใครก็ทําอะไรให้เราเจ็บช้ำน้ําใจก็ปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยวางทําอะไรให้เขาเดือดร้อนก็ไปขอโทษขอเขามาเขาซะตรงนี้แหละหนะ้าที่มันช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ก็อยู่เป็นสุขนะถึงเวลาจะตายก็ตายสงบแต่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันต้องมีการเตือนใจยอยู่เสมอเพราะคนเรามีแนวโน้มนะจะชอบทําชั่วชอบผิดศีลหรือว่าชอบยึดชอบติด

ไม่ปล่อยไม่วางถ้าอะไรที่จะช่วยทําให้เตือนใจให้เราหมั่นทําความดีเล่าเบ้นความชั่วและรู้จักปล่อยวางก็คือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเราลึกถึงคําสอนสุดท้ายของพระ เ, เจ้าเนี่ยที่อัตมาได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

อันนี้เป็นคำกล่าวสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จปรลิพนิพานเป็นมรดกที่มอบให้กับชาวพุทธทั้งหลายพูดสั้นๆไม่ยาวนะแค่สองประโยคแต่มีความหมายลึกซึ้งมากถ้าเก็บเอามาคิดพิจารณาเตือนตนอยู่เสมอนะจิตใจก็จะผ่องใสเพราะทำความดีไม่มีความชั่วให้มาติดค้างใจแล้วก็ปล่อยวาง

คำเทศของอัตามาสิกก็พอสมควรจากเวลานะก็ขออนุโมทนาญาติยาโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลผู้ที่ได้กับหลวงพ่อบุญธรรมผู้ที่ได้ล่วงลัคจากไปก็ขอให้อํานาจแห่งบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญอานวยอวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาพละเพื่อเป็นพระวปจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมโดยทานศีลภาวนา

เพื่อเป็นเครื่องรักษาใจให้มีความผ่องแผ้วไม่กลัวความตายมั่นใจในชีวิตที่ได้บําเพ็ญและหมันบําเพ็ญมันปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบกับความสุขความเจริญให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยกายทุกข์ให้ได้บังเกิดปัญญาเข้าถึงความสุกเกษมสารมีพระนิพพาน

ต่อจงให้อำนาจแห่งบุญกุศลที่บำเพ็ญนั้นได้อำนวยอ้ยผลให้หลวงพ่อบุญธรรมได้เสวยสุขสมบัติในสัมภารพบตามควรแก่กะติวิสัยและเป็นปัจจัยให้ได้พบพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นในวิถีแห่งธรรมจนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการด้วยเทอญ